ันรที่บอกว่าเราเห็นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมเห็นแลดูตรวจดูแพ่งดูพิจารณาดูด้วยมังสะจกสักรโสบ้างที่พจักรโสบ้างปัญญาจากักรโสบ้างพุทธจกักรโสบ้างสมันตะจกักรโสบ้างนะคือพระองค์เนี่ยมองเห็นด้วยมังสะจกสักรโสนะคือรัศมี16กิโลเมตรเนี่ยโดยรอบพระองค์มองเห็นหมดไม่ว่ากลางวันกลางคื น, นในวิสัยทัศน์เนี่ยสิกิโลเมตรนะมองเห็นรอบหมดเลยนะไม่ว่าอะไรก็ช่างเถอะ ถึงกลางคืนเดือนมืดมิดขนาดไหนก็มองเห็นนะไม่มีไม่มีติดขัดเลยอันนี้เรียกว่ามังสะจากสุขของพระพุทธเจ้าที่เป็นผลของบุญนะนะอย่างที่สองที่เรียกว่าทิพจักสุขก็คือเห็นจุติและอุบัต น, นะเห็นตายแล้วก็เห็นเกิดผู้ที่เห็นตายอย่างเดียวนะโดยมากเป็นอุเฉตรู้แต่เรื่องตายไม่รู้เกิดนะเป็นอุเฉทิฏฐิผู้แต่รู้เข้าใจแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวไม่เข้าใจเรื่องตายพวกนี้เป็น สัตตถิธิอันผู้ที่รู้ทั้งเกิดและตายเนี่ยนะจะละทั้งอุเฉดกับสัตตถิธิแต่ว่าที่เกิดก็เกิดจากกรรมเนี่ยนะที่ตายอ่ะก็ตายเพราะสิ้นปัจจัยเนี่ยนะที่เกิดก็เพราะปัจจัยนี่เกิดขึ้นเพราะตายเนี่ยหมดปัจจยัยก็ถ้าเกิดล่ะกรรมตัวไหนที่นําเกิดในภพต่างๆก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งสุดจริญและทุจริตนั่นแหละที่นําเกิดในภพต่างๆอันผู้ที่มีตาทิพย์เนี่ยนะที่ประจกักษ์สุก็ ตรวจดูก็รู้ว่าคนเนี้ยต่อไปข้างหน้าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ใดเป็นต้นเนี่ยนะตะและกรรมตัวใดนําเกิดเนี่ยนะถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนขนาดนั้นอันนี้เรียกว่ามีทิพย์จักสุขมีตาทิพตนะเรียกว่ามองเห็นนรกสวรรค์พร้อมทั้งกรรมที่เป็นนําเกิดนภะพนั้นๆส่วนปัญญาจักสุ ก, ก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นนิวรณ์นี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นินโรดนี้มรรคนะนะอั้นปัญญาจักสุกก็หมายถึง มักทั้งหลายนั่นเองนะโสดาปฏิมัคสกอาคามีมักอนาคามีมักอรหัตต์มัคเนี่ยเป็นปัญญาจักสุเป็นปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่ประการส่วนพุทธจักสุพุทธจักสุก็หมายถึงจักสุที่พระองค์เนี่ยตรวจดูสัตว์โลกว่ามีอินทรีย์อ่อนนะมีศรัทธาอ่อนหรือมีศรัทธามากมีวิริยะอ่อนหรือมีวิริยะมากมีสติอ่อนหรือสติมากมีสมาธิอ่อนหรือสมาธิมากมีปัญญาอ่อนหรือมีปัญญามาก ทีเรียว่าอินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่กล้าพอจะบรรลุได้ไหมถ้าบรรลุบรรลุด้วยธรรมชนิดใดจิตเข้าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เรียกว่าพุทธจักสุขส่วนสมัญจะจักสุก็คือสัพพัญยุตยานนะนะสัพพัญยุตยานที่รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ทั้งสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปนิพานเนี่ยนะทั้งทุกอย่างเนี่ยรู้โดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าสมัญตะจกักสุขไม่มีขัดไม่มีข้องเลยที่บอกว่าพระองค์เห็นเนี่ยนะ พระองค์เห็นทั้งด้วยทิพจักสุปัญญาจักสุพุทธจักสุสมันตาจักสุนะนะเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ดิ้นรนอยู่ในโลกนะทั้งในอบายโลกนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระองค์เห็นทั้งในมนุษยโลกเห็นทั้งในเทวโลกถ้าโลกเหล่านั้นน่ะถ้าขยายโดยประมัดก็คือขันธและอายตนะนั่นเอง องเห็นสัตว์เหล่านั้นที่ดิ้นรนอยู่นะคือย่อมเห็นย่อมแลดูตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูย่อมเห็นก็คือเห็นด้วยมังสะจากสุย่อมแลดูก็ดูด้วยทิพจักสุตรวจดูก็ดูตรวจดูด้วยธรรมะจากสุเออขอไปพุทธจักสุเนะี่ยเพ่งดูขอไปตรวจดูด้วยปัญญาจากสุเพ่งดูด้วยพุทธจักสุ พิจนารณาดูด้วยสมรตะจักษุซึ่งสัตว์นี้ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรไล์กวนกวายเอน็นเอียงกระสับกระสายนนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยดูได้ว่าเขาดิ้นรนด้วยอะไรหนึ่งดิ้นรนเพราะตันหาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวกระสับกระสายด้วยตันหาดิ้นรนกวนกวายทุรนทุรายวันไหวเอ็นเอียงกระสับกระสายอยู่ด้วยทิฏฐินะ เพราะทิฐิเนี่ยมันกระเสือกกระสนไปเนี่ยนะหรือว่าดิ้นรนกระวนก歪กระเสือกกระสนกระสับกระสายเพราะกิเลสเพราะความเพราะประโยคนนะกายประโยคนวจีประโยคนมโนมนกประโยคะเนี่ยหรือว่าดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไว้เอ็นเอียงกระสับกระสายด้วยผลของกรรมคือวิบากดิ้นรนกระวนกวายกระเสือกกระสนกระสับกระสายเพราะทุจริตนะหรือว่าผู้ ด้วย ร, ราคะของผู้กำหนัดเนี่ยนะเรียกว่าดิ้นรนด้วยโทสะของผู้ขัดเคืองดิ้นรนด้วยโมหะของผู้ลุ่มหล ง, ด, ง, ลลงดิ้นรนด้วยมานะของผู้ผูกพันดิ้นรนด้วยอนุสัยของผู้มีกิเลสถึงกําลังนะดิ้นรนด้วยลาบด้วยความเสื่อมลาบนะนะแสวงหาลาบนี้ก็โอ้ยดิ้นรนกันเสื่อมลาบก็ดิ้นรนกันะกนะดิ้นรนเพราะยศดิ้นรนเพราะความเสื่อมยศดิ้นรนเพื่อสรรเสริญดิ้นรนเพราะถูกนินทาเนี่ยนะหรือว่า ดิ้นรนด้วยความเพราะความสุขนะแสวงหาความสุขดิ้นรนอยู่ด้วยความทุกนะดิ้นรนเพราะชาติชราพญาทีมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตนะดิ้นรนด้วยทุกขคือเกิดในนรกดิ้นรนเพราะทุกคือการเกิดในเดริชานดิ้นรนด้วยทุกคือการเกิดในเปรติวิสัยดิ้นรนด้วยทุกเพราะการเกิดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดิ้นรนด้วยทุกสำหรับผู้ที่เกิดในคันเป็นมูล ดิ้นรนอยู่ในทุกสาหรับผู้ที่อยู่ตั้งอยู่ในคันดิ้นรนด้วยทุกของผู้ที่ออกจากคันเนี่ยนะสัตว์ที่ออกจากคันก็ดิ้นรนอ่ะนะผู้คนะลอดเองก็ดิ้นรนอ่ะนะคำว่าคันเป็นมูลเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมที่คลอดจากคันอ่ะด้วยทุกอ่ะนะดิ้นรนด้วยทุกสําหรับสัตว์ติดตามสัตว์ที่เกิดแล้วดิ้นรนด้วยทุกสัตว์ที่เนื่องแต่ผู้อื่นแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วเนี่ยนะดิ้นรนด้วยทุกแก่เกิดจากผู้ความขวนขวายของตน ดินรนด้วยทุกข์แก่ผู้ที่เกิดความขวนขวายของผู้อื่นนะหรือว่าทุกเกิดแต่ทุกขเวทนาทุกเกิดจากสังขารคือสังขารทุกข์วิปริณามทุกข์ทุกพโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไขวัดไข้ทรพิษเสื่อมโรคท้องโรคลมสรบจุกเสียดลงราดโรคเลือนฝีกลากมองคราะบ้ามูหิตเปลื่อยหิตด้านคุทร่าโรคหูดโรค คุทราตบวมอาเจียนโรคดีโรคเบาหวานโรคเริมโรคผูพองฤทสีดวงเนี่ยนะพวกโรคภัยทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่ดิ้นรนเพราะโรคภัยเนี่ยหายากเต็มทีเนี่ยน ะ, นะพูดถึงถ้าใครที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็หนึ่งนึกออกนะว่าสัตว์แต่ละคนไข่แต่ละเตียงแต่ละเตียงอ่ะนะดิ้นร น, นกวนก歪กับสับกระสายเดือดร้อนเร่าร้อนไม่ร้อนกายก็ร้อนใจนี่แหละเว้นไว้แต่เจอยาสลบยาอะไรเข้าไปอ่ะนะเป็นธรรมดาก็ร้อนรนกวนกว歪 นี่นะถ้าเป็นโรงพยาบาลโรคจิตนั้นหนักกว่านั้นอีก น, น, นะนะโรคทางกายนะโรงพยาบาลโรคกายโรงพยาบาลโรคจิตนะนะก็เดือดร้อนเร่าร้อนกระวนกระวายกันหรือพวกที่มีอาพาธมีดีเป็นสมุทฐานอาพาธมีเสมหะมีลมมีไข้สันนิบาตนะหรือฤดูแปรปรวนบริหารไม่สม่ำเสมอความเพียรมากเกินไปหรือว่าความป่วยไข้ที่เกิดจากผลของกรรม ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เพราะความหนาวความร้อนความหิวความโ้อหายความกวนกระวายความอวดปวดอุจจระปวดปัสวะหรือความทุกข์ที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลาน น, นะความทุกข์เพราะพ่อตายแม่ตายบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพราะลูกชายลูกสาวตายเพราะญาติตายเพราะเสียหายโภกทระซับเนี่ยนะหรือว่าทุกข์เพราะว่าความชิบหายแห่งพวกทระซับเพราะโรค หรือว่าป่วยไข้ก็สีทุกใจหรือว่าเสียศีลเสียทิฐิก็เดือดร้อนกันเพราะนี่คือความดิ้นรนของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรวจตราดูนะคิดดูนะว่าพระองค์เนี่ยตรวจ ด, ดูสัตว์ในทุกพบทุกภูมิทุกจักรวาลเนี่ยที่เดือดร้อนในร่างกายและเดือดร้อนทางจิตใจเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะว่าขันต่างๆเนี่ยนะพระองค์เนีตรวจพิจารณาเห็นหมดอะ่ะนะ ก็ถูกชาติชารานําไปเนี่ยนะชาติก็แล้วว่านําเกิดชราก็นํ า, ากนแก่ปัญญาที่ก็นําป่วยตายก็ห้าหั่นเนี่ยนะก็ะพากันเชื้อดะ น, นะสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนเรา่าร้อนกวนกวายที่เกิดมาอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายผู้นี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ไปตามตันหานีนะหมูสัตว์ก็คือผู้เกี่ยวข้องผู้ติดข้อง น, นะก็เป็นไปตามตันหา แสวงหารูปบ้างแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาโพธาภาเนี่ยนะแสวงหาธรรมรมนะนยรูปปันหาสัสตตันหากัธตันหาเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ renowned, <im urities> ไปในตันหาคือไปในตันหาไปตามตันหาร่านไปตามตันหาจมอยู่ในตันหาอันตันหาให้ตกไปอันตันหาครอบงามแล้วมีจิตอันตันหาครอบงามแล้วเนี่ยนะก็คือไปตามห่วงน้า แระว่าเสือกไปตามปัจใจแห่งรูปที่มีวิญญาณทั้งหลายหรือว่าเหมือนกับแหนเนี่ยปิดหลังน้ำว่า ง, งนะั้นอ่ะซ่านไปแบบนั้นเลยจมอยู่เหมือนกับหลุมบูจาเนี่ยดังนั้นหมูสัตว์ที่ผู้ไปในตันหาในภพทั้งหลายนะก็คือยินดีในการมาพบบ้างยินดีในรูปปพบ้างยินดีในอรูปประพบอ่ะเรียกว่าหมูสัตว์นี้อ่ะผู้ไปในตัญหาในภพทั้งหลาย ก็คือตันหาเนี่ยนะมันพาปราถนาภพต่างๆนะปราถนาการมมพบรูปพบอรูปพ บ, พ บ, พบนี่แหละนรชนทั้งหลายที่เลวย่อมร่ำไรใกล้ปากมัจจนะุคนเลวเนี่ยนะก็ร้องให้ใกล้ความตายนะเศร้าใจเสียใจในเวลาใกล้ตาย มารชนทั้งหลายที่เลวคือผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมูสาวาทพูดสอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้ออภิชาพยาบาทมิจชาทิฏฐิสังขารทั้งหลายก ร, รมคุณหา้านิวรหา้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจอันเลวฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าต่ำชาลามกสกปรกหยาบชา้าเรียกว่าคนเลวอ่ะนะคนเลวคนบาปทั้งหลายเนี่ยใกล้จตาเนี่ยก็เล่าร้อนเดือดร้อ น, อนทุกร้อนอะ่ะ คนเหล่านั้นย่อมร่ำไรใกล้ปากมัจจุก็คือนรชนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ถึงมัจจุประจวบกับมัจจุถึงมัจจุมานประจบกับมัจจุมานเข้าถึงมรณะคือความตายประจบกับมรณะคือความตายร่ําไรบนเพลเศรา้าโศกลําบากใจรําพันตบอกคร่ําครวญถึงความหลงไหลใกล้ปากมัจจุราชใกล้ปากมานใกล้ปากความตายเนี่ย ก็คิดดูนะใกล้ความตายของคนที่ไม่มีธรรมะน่าจะเดือดร้อนกนระรวนกระวายกระสับกระส่ายขนาดไหนนะก็บอกว่าบางคนนี่ก็ร้องเหมือนหมูบ้างร้องเหมือนโคบ้างนะสาหรับผู้ที่ทําบาปประกา ร, ร ม, มาไว้เนี่นะแต่ว่าสมัยนี้ดีไหมถ้าเทียบว่ายาที่ทําให้สลึมสลืออยู่ตลอดไม่ต้องลุกขึ้นมาโวยวายเนี่ยดีไหมคุณจูนะก็เลยไม่ได้ทำเออเลยไม่ได้ให้เห็นอะไรอะไรต่างๆที่มันพิเศษพิเศษอ่ะนะเพราะว่าถูกยาเป็นต้นเนี่ยข่มเอาไว้ ผู้ที่ยังไม่ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะก็คือยังไม่ละตัณหาในรูปเสียงกลี่นรสโภทภะไม่ได้ครับคำว่าในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะภพน้อยกับภพใหญ่ก็แบ่งเป็นกรรมวัตกับวิปากวตรเนี่ยนะทีนี้กรรมวัตวิปากวตรก็แบ่งตามภูมิกรรมวัตรรวิบากรรมวิบากในกรปปรมภูมิกรรมและวิบากในรูปภูมิกรรมวิบากในรูปภูมิเนี่ยนะ กรรมในกรรมภูมิก็คืออากุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8เรียกว่ากรรมในกรรมภูมิวิบากในกรร ม, มรปปปรภูมิก็คือเนี่ยนะกรกเ ป, ปรตอสุรกายสัตว์เดรัชานมนุษย์กับเทวดาส่วนกรร ม, มวัดในรูปประภูมิก็คือรูปประชาวนี่นะวิปากวัดก็คือรูปประพบมืนนะส่วนกรรมวัดในรูปประภูมิก็คืออรูปเจตนา4เนี่ยเลส่วนวิปากวัดก็คืออรูปประพรมทั้งหลาย เาะฉั้ก็รรมวัดวิปากวตดในการมาพบรูปประพบและอรูปปรปะพบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในความเกิดบ่อยๆเนี่ยนะคือเรียกว่าที่บอกว่าย ah ังไม่ปราศจากตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะก็คือในความเกิดบ่อยๆในความเป็นไปบ่อยๆอนะ เ, นนะ เ, นนะเกิดก็คือชาติแล้วนะปะวัตตาก็คือเป็นไปบ่อยๆความเข้าถึงบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆอันบังเกิดขึ้นในอัตภาพบ่อยๆเนี่ยนะก็สแสวงหาการเกิดบ่อยๆใช่ไหม เกิดบ่อยก็เท่ากับอะไรเกิดบ่อยก็แปลว่าตายบ่อยเนี่ยเกิดบ่อยก็แก่บ่อยเกิดบ่อยก็ตายบ่อยเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แหละคำว่ายังไม่ปราศจากตัณหาก็คือยังไม่ปราศจากตัณหามีตัณหายังไม่หมดไปมีตัณหายังไม่สละแล้วมีตัณหายังไม่สำรอกแล้วมีตัณหายังไม่พ้นแล้วมีตัณหายังไม่ละแล้วมีตัณหายังไม่สละคืนแล้ว นั้นคําว่ามีตันหายังไม่ปราศจากมีตันหายังไม่หมดเนี่ยนะก็คือไม่หมดด้วยวิขมพนะปะหารเนี่ยนะคือไม่หมดด้วยปะหาน ะ, ะนะคณิกะปะหานะไม่รู้จักละไม่รู้จักบรรเทาไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จกักคลายตันหาอะไรเลยอะ่ะมีแต่ตันหามันพอกพูนเพิ่มพูนเต็มเปี่ยมมีตันหายังไม่สละด้วยแต่ทางข้าปะหารเนี่ยนะด้วยวิปัสนาทั้งหลาย มีตันหายังไม่สำลักด้วยวิขำพนาประหารคือสมถ t มีตันหายังไม่พ้นด้วยสมุตเฉ ท, ทประหารมีตันหายังไม่ละเสียแล้วด้วยปฏิปัสสัที่ประหารเนี่ยนะสมุตเฉ ท, ทก็คือมรติปฏิปัสสัที่ก็คือผลมีตันหายังไม่สละคืนด้วยนิสรณประหารคือพระนิพพานพระนั้นปองจึงตรัสว่าเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ไปในตันหาทั้งหลายในภพเนี่ยนะดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนทั้งหลายที่เลว ยังไม่ปราศจากตันหาในพบน้อยพบใหญ่ย่อมร่ำไรใกล้ปากมั จ, จุกเนี่ยนะร้องให้เสียใจคร่ำครวญในเวลาใกล้าตายอันนี้ประกาศอาทีนวะที่ชัดเจนเลยใช่ไหมว่าโอ้โหทุกจริงๆของสัตว์ที่เกิดมาในโลกปรารถนาอย่างโน้นปรานะปรถนาะอย่างนี้อีกภาคหนึ่งก็จะตายแล้วบางคนเนี่ยัยงแม่หลายคนที่เป็นโรคเอทก็ห่วงลูกห่วงโอโจะตัวเองจะตายอยู่แล้วก็ห่วงลูกอะไรกันนะ ตกกังวลตัวเองก็ไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนก็ยังไม่รู้นะเดือดร้อนเราน่าร้อนกัวนกวายทุกดินรนอยู่นั่นแหละ